BOOK 2 6หกสิบห้ากาการปฏิเสธสองิเตเกะแหวนวงนี้แพงไหมคะโซโนยูบิอาวาทากาเดสกไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรใช่ตัดงแต่หนึ่งรอยยูรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะเดโมโกจูชิกำหนดตน่านเดคุณเสร็จแล้วใช่ไหมโมวาริมัสตะกไม่ยังไม่เสร็จค่ะใชまだです แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะิคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะซุปโอโมโตอิกะเดสค้อไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะอแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะอ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวยี่ย์ยี่まだ一เม目ดสแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วでもすでにいろんな人たちと知り合いになりましたคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ 明日เย่ขับรถไปกลไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์いีเย่วสุดสัดแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะでも日曜にはもうอาทิกลมาค่ะลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะあなたの娘はもう大人ですか